จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่ททานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดมกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านตั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อดัเอาความรู้ที่ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปได้มีแต่ ความรู้ทางพระพุทธศาสนาความรู้ของพระพุทธเจา้าเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้เราได้เรียนวิชาความรู้ทางโลกถึงะระดับปริญญาตริโทเอกแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ พความรู้ทางโลกเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์อาจจะรอดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายแต่จะไม่สามารถรอดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติเท่านั้นแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไป อย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมกันอยู่บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้จดจำได้ถ้าเรานานๆฟังครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะลืมไปแต่เราจึงต้องหมั่นฟังอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกำหนดวันธรรมมัสสวนะคือวันฟังธรรมไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน เพื่อที่จะได้มาวัดมาฟังธรรมกันวันฟังธรรมก็คือวันพระนี่เองแต่สมัยนี้วันหยุดของเราหยุดทํางานของเรามักจะไม่ตรงกับวันพระเราเลยไม่สามารถมาวัดในวันพระได้แต่เรายังสามารถมาวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดการทํางานของเราได้เราก็ควรจะถือ วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันฟังธรรมเป็นวันพระของพวกเราแล้วยิ่งสมัยนี้เรามีการบันทึกทำไว้ในสื่อต่างๆเราสามารถฟังได้ทุกวันทุกเวลามีทั้งหนังสือมีทั้งซีดีมีทั้ ง, งอินเทอร์เน็ตเข้าไปใน Facebook YouTube ก็สามารถฟังได้ตลอดเวลา เราจึงควรให้ความสำคัญต่อการฟังธรรมกันเพราะธรรมนี้เป็นเหมือนแสงสว่างใจของพวกเราเป็นเหมือนคนตามืดตาบอดตามัวหรือคนที่อยู่ในที่มืดเวลาเราอยู่ในที่มืดถ้าไม่มีแสงสว่างเราจะมองไม่ไมเห็นอะไรหรือถ้าเห็นก็เห็นแบบมัวมัวเห็นแบบไม่ชัดเจนแล้วมักจะเห็น กับตาลปัดเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงใจของพวกเราตอนนี้ก็เช่นเดียวกันมีความมืดบอดครอบคุมจึงทําให้เราไม่เห็นความจริงเรามักจะเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอเราเห็นผิด แล้วเราไปเอาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขมาให้ความสุขกับเราพอมันเปลี่ยนไปพอมันไม่เที่ยงความสุขหายไปความทุกข์ก็จะตามมานี่คือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงของพวกเราที่มองไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเราเลยต้องมาฟังเทศฟังธรรม เพื่อเราจะได้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรกันหนะ่าหลังนั้นเราควรที่จะมาฟังเทศฟังธรรมกันธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเรียนรู้กันนี้มีอยู่เจดหัวข้อใหญ่ๆคือให้เรารู้เหตุสองให้รู้ผลสามให้รู้ตนสี่ให้รู้บุคคลห้าให้รู้สังคม หกให้รู้กาลเทศะเจ็ให้รู้ความพอประมาณให้รู้ประมาณอันนี้เป็นความรู้ถ้าเรารู้แล้วนำเอาไปปฏิบัติชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์รู้เหตุคือรู้อย่างไรก็รู้ว่าเหตุเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา ผลที่เราปรารถนาต้องเกิดจากเหตุดังนั้ น, นาาเราต้องรู้ว่าเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการนั้นเป็นอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรก็คือความสุขความเจริญสิ่งที่เราไม่ต้องการคืออะไรก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆความสุขความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสื่อมเสียต่างๆก็มีเหตุทาให้เขาเกิดขึ้นมา ถ้าเรารู้เหตุเราก็จะสามารถสร้างผลที่เราต้องการได้ระงับผลที่เราไม่ต้องการได้เหตุเหตุของความสุขความเจริญคืออะไรก็คือการกระทาความดีต่างๆงการกระทาบุญสร้างกุศลอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญกันเราทำความดีเราไม่ไป สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ผลเสียหายก็จะไม่กลับมาหาเราทำความดีเช่นมานิยญายโยมาทำบุญทำบุญทำทานอา น, นิสงส์ของการทาบุญทาทานเมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์แล้วเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะเกิดเป็นคนที่ดีกว่าเก่ามีฐานะที่ดีกว่าเก่ามีเงินมีทองที่ดีกว่าเก่า เวลาทำบุญก็มีความสุขใจความทุกข์ใจไม่มีนี่คือรู้เหตุว่าการกระทาของเรานี่เป็นเหตุที่ทำให้เราสุขเจริญหรือทำให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมเสียเหตุที่ทำให้เราเสื่อมเสียคืออะไรก็คือการกระทาบาปและการเสพอบายามุขการทำบาปก็คือการฆ่าการลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรการมีความเกลียดคร้านอันนี้จะเป็นเหตุที่จะทําให้เราทุกข์กันจะทําให้เราเสื่อมเสียกันถ้าเราไม่อยากจะพบกับความทุกข์พบกับความเสื่อมเสียเราก็อย่าสร้างเหตุเ ห, เหล่านี้ อย่าเสพสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีเป็นมิตรอย่ามีความเกียดคร้านอย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดถ้าเราละเว้นจากการกระทำเหล่านี้ได้ผลคือความทุกข์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมาความเสียหายต่างๆจะไม่มี นี่คือการรู้เหตุรู้ผลให้รู้ว่าผลต่างๆที่เราต้องการนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทาของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราคิดกันคนเราสมัยนี้ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเลยคิดว่าสิ่งที่เราต้องการอยู่ที่สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นคนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จดุดธูปเทียน เอาข้าวของไปบูชาแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้อันนี้ขอไปเจอวันตายก็ไม่ได้ถ้าได้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเกิดจากการขอมันได้เพราะว่าเกิดจากเหตุที่เราทําไว้ในอดีตพอดีมันส่งผลขึ้นมาพวกเราทําเหตุกันมาหลากหลายด้วยกันในอดีตเหตุที่ดีก็มีเหตุที่ไม่ดีก็มี ส่วนผลนี้มันไม่ได้เกิดทันทีบางทีมันรอเวลามันยังไม่ถึงเวลาเหมือนกับเวลาที่เราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลผลไม้ในวันนี้ปลูกต้นไม้ไปแล้วก็ต้องรอเวลาให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วค่อยออกดอกออกผลการกระทาต่างๆที่เราเคยทำมาในอดีต มันก็ใช้เวลากว่าจะออกผลก็มาออกผลตอนที่เราไปอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้นั่นให้นี่พอดีได้พอดีก็เลยคิดว่าเป็นการได้จากการขออันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความบังเอิญเป็นจังหวะที่เราไปขอแล้วได้ถ้าได้จริงต้องขอทุกครั้งสิขอทุกครั้ง้องได้ทุกครั้ง ขออะไรก็ต้องได้สิ่งที่เราขออย่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลแต่นี่ขอกันแล้วขอกันเล่าก็ยังไม่ได้สักทีขอให้ร่ําให้รวยก็ยังไม่รวยสักทีขอให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ยังไม่เป็นใหญ่เป็นโตสักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นมันจะเป็นก็เป็นพอดีจังหวะของมันที่จะเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยขอให้พวกเราขอ พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทำดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วผลดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาอย่าไปขอให้เสียเวลาขอแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเวลามาทำสิ่งที่ควรจะทำดีกว่าเช่นอยากรวยให้ทาอะไรให้ให้ขยันหาเงินถ้าอยากรวยขยันทำมาหากิน สัมมาชีพอย่าไปใช้อาชีพทุจริตเพราะมันจะติดคุกติดตารางเช่นไปขายยาเสพติดไปทำผิดกฎหมายอย่าทำอาชีพแบบนี้ให้ทำอาชีพสดจริตเวลาได้เงินมาก็ให้เก็บไว้อย่าเอาไปใช้ใช้เท่าที่จำเป็นของที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้มันเก็บไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวยขึ้นมาเอง ที่ไม่รวยกันเพราะว่าหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเห็นอยากเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้ออยากเที่ยวก็ไปเนี่ยถ้าใช้เงินแบบนี้ต่อให้อีกร้อยชาติก็ไม่มีวันร่าไม่มีวันรวยแต่ถ้าใช้เงินแบบประหยัดใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารยารักษาโรคอย่างนี้ต้องมีเวลาร่างกายขาดแล้วจะไม่สบายจะตายได้ อันนี้ก็ต้องมีแต่เสื้อผ้าชุดใหม่ๆรองเท้าคู่ใหม่กระเป๋าใบใหม่ถ้าเรามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ซื้อมาก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมมันก็เหมือนเดิมกับยากจนลงไปเงินกับน้อยลงเงินที่จะเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้าก็จะไม่มีพยายามพยายามหักห้ามจิตใจอย่าใช้เงินตามความอยาก ใช้เงินตามเหตุตามผลตามความจำเป็นแล้วรับรองไนดะ้วาไม่กี่ปีเราก็จะรวยขึ้นมาเพราะจะมีเงินเหลือใช้แล้วเราสามารถเอาเงินที่เรามีเหลือนี่เอาไปลงทุนขยายได้อีกเอาไปเพิ่มเอาไปทำธุรกิจเอาไปทำอะไรฝากธนาคารก็ได้ดอกได้อะไรขึ้นมาถ้าเอาไปใช้ก็หมด นี่คือเหตุที่จะทำให้เราร่ำรวยไม่ใช่เหตุจากการที่ไปกราบพระหรือไปกราบเท้าเท้ามาหาพรหมขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ถ้าขอได้ป่านนี้บ้านเมืองเรามีแต่มหาเศรษฐีเต็มไปหมดมีแต่คนใหญ่คนโตเต็มไปหมดแต่มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของการไม่รู้เหตุไม่รู้ผลถ้ารู้เหตุรู้ผลแล้วรับรองได้ว่า พวกเราจะได้สิ่งที่เราต้องการกันถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบของเหตุผลถ้าอยากจะได้ในสิ่งที่เหนือกรอบของเหตุผลมันก็ไม่ได้เหมือนกันนั้นเราต้องให้ ใ, หใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์นี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลเรื่องที่สามคือเรื่องรู้ตน คือเราต้องรู้จักตัวเรารู้จักสถานภาพของเราว่าเราเป็นอะไรเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เราเป็นสามีหรือเป็นเป็นคนโสดเราเป็นคนมีครอบครัวหรือเป็นคนโสดเรามีฐานะต่างๆตอนเด็กเราก็เป็นเด็กเป็นนักเรียนพอโตขึ้นเราเรียนจบเราไปสอนหนังสือเราก็เป็นครู สถานาภาพต่างๆนี้มีการกระทำที่เฉพาะที่จะต้องทำตามสถานาภาพนั้นเช่นเป็นเด็กก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ mm hmm. เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความเมตตากรุณาต่อเด็กอย่างนี้ mm hmm. เรียกว่าการรู้ตน mm hmm. เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตัวเราเองให้เหมาะสม mm hmm. เราเป็นเราเป็นคารวาสหรือเราเป็นนัก บ, บวช ค า, า, ารวะก็มีการกระทำแบบหนึ่งเป็นนักบวชก็มีการกระทำอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นค า, าวาะแล้วไปทำแบบนักบวชก็จะมีคนเขาไม่ยินดีนะเช่นไปเป็นไปถือศีลอยู่กับบ้านกับคนที่เขาไม่ถือศีลไม่กินข้าวเย็นคนหนึ่งเขากินข้าวเย็นเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ไดนะ้เราอยู่กับเขาเราต้องทำตัวให้เหมือนเขา เาเป็นคารวาสเราเป็นคารวาสเราก็ต้องเอาเอาขนรรมเนียมของคารวาสมาใช้เราถ้าเป็นพระเราอยู่กับพระก็ต้องใช้ขนบธรรมเนียมกับของพระจะไปเอาธรรมเนียมของคารวาสมาใช้กับพระก็ไม่ได้แะนี่คือเรื่องของการรู้ตนเพื่อที่เราจะได้ทำตัวเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเรา แล้วจะไม่มีปัญหาตามมาถ้าเราทำตัวไม่เหมาะกับสถานภาพ <_ S 1> ก็จะมีปัญหาตามมาได้เช่นถ้าเราเป็นพระแล้วเรามาทำตัวเหมือนคารวะเดี๋ยวเราก็ต้องถูกเขาจับเสกไปให้ไปเป็นคารวะ <_ S 2> เพราะเขาจะไม่ให้เราอยู่ <_ S 2> เหมือนเหมือนกับเป็นคารวะอยู่นี่คือเรื่องของการรู้ตนการรู้บุคคลก็ ร, รู้ผู้อื่น บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มีฐานะต่างกันไปถ้าเราเป็นลูกเราอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ต้องรู้จักว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราพ่อแม่เราก็ต้องเคารพเราก็ต้องเชื่อฟังถ้าเป็นพี่เป็นน้องเราก็รักกันสามัคคีกันถ้าเป็นเพื่อนอย่างนี้แต่ละคนที่เรารู้จักนี่เขามีฐานะที่ต่างกัน เราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติต่อฐานะของเขาถ้าเราพบพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ต้องรู้จักกราบรู้จักไหวเจอผู้ใหญ่เราก็ต้องมีความเคารพนี่คือการรู้บุคคลที่เราอยู่ด้วยที่เราพบปะถ้าเราไม่รู้แลวเราไปไปปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะเกิดความเสียหายได้ พอต่อมาให้บอกให้รู้สังคมสังคมก็คือให้รู้กฎกติกาของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือเล็กก็ตามในครอบครัวก็เป็นสังคมหนึ่งที่โรงเรียนก็เป็นอีกสังคมหนึ่งที่ทํางานก็เป็นอีกสังคมหนึ่งและในประเทศที่เราอยู่นี้ก็เป็นอีกสังคมหนึ่งซึ่งมีกฎมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงานที่เราต้องปฏิบัติเพราะเราจะ อ, อยู่ร่วมกันด้วยด้วยกันอย่างสงบอย่างมีความสุขเราต้องมีกฎกติกาถ้าปล่อยให้ทุกคนทําตามใจชอบเดี๋ยวก็จะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้เช่นสุนัขสัตว์ทั้งหลายนี่เขาไม่รู้จักสังคมเขาไม่รู้จบจากฎกฎกติกาของมนุษย์ถ้าปล่อยให้สุนัขอยู่แบบเพ่นพ่านไม่คอยควบคุม เดี๋ยวสุนัข ก, ก็ไปสร้างความเสียหายได้เราจึงมากต้องจับไว้ในกรงหรือผูกไว้หรือไม่เะนั้นก็ต้องคอยสอนคอยห้ามยิ่งถ้าเป็นสัตว์ร้ายนี่เราปล่อยออกมาไม่ได้เลยเช่นเสือสิงกระทิงแรบพวกนี้เขาไม่รู้จักสังคมก็ไม่รู้กฎกติกาของมนุษยว่าอยู่กันอย่างไรเขาอยากจะกัดใครเขาก็กัดเขาจึงต้องถูกจับไปขังอยู่ในกรง คนที่ไม่รู้จักกฎกติกาของสังคมก็ไปถูกจับเข้าคงเหมือนกันคนที่ไปติดคุกติดตารางนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักกฎกติกาไม่รู้จักกฎหมายของสังคมหรือรู้แต่ไม่เขารบรู้แล้วก็ล่าก็ลังเดทาผิดกฎหมายก็เลยต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่คนที่รู้กฎกติการู้กฎหมายแล้วเขารบกฎหมาย ไม่ละเมิดกฎหมายก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางนี่คือเรื่องของการรู้สังคมข้อต่อมาก็ให้รู้กาลเทศะกาลเทศะก็คือการรู้การเวลาและสถานที่ที่เราไปเราไปไหนสถานที่แต่แสถานที่นี้เขาก็มีการกระทำที่แตกต่างกันไปเวลามาวัดก็มีการกระทาแบบหนึ่ง เวลาไปศูนย์การค้าไปโรงภาพยนตร์ก็มีการกระทำอีกแบบหนึ่งเวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีการปฏิบัติแบบหนึ่ง<ม>เวลาเราไปในสถานที่นั้นเราควรที่จะศึกษาควรจะรู้ว่าควรจะทำอะไรในเวลานั้นเช่น<ม>เวลาตอนนี้เรามาวัดกันเรานั่งฟังเทศฟังธรรมกันสมมุติว่าเรามาสายแล้วเราอยากจะเอาข้าวของมาถวาย เราไม่ควรที่จะถวายในตอนนั้นไม่ควรที่จะจัดค่าจัดของหรือทำอะไรเราต้องเขา้ารบการกระทำที่เขากำลังทำอยู่ในขณะนั้นคือเราต้องฟังเทศฟังธรรมรอไปจนกว่าเสร็จจากการฟังเทศฟังธรรมจนถึงเวลาที่จะถวายได้เราถึงค่อยเข้ามาถวายถ้าเราเข้ามาตอนนี้มันก็จะมาทำลายการกระทำ ของที่ของผู้ฟังและของผู้แสดงธรรมทาใหเา้เกิดความเสียหายได้นี่คือการรู้จักกาละเทศะและข้อสุดท้ายก็ให้รู้จักประมาณคําว่ารู้จักประมาณก็ให้รู้จักความพอดีความพอดีในการใช้ปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอดีก็คือ ขอให้มีพอใช้ไม่ขาดแคลนแต่ก็ไม่ควรมีมากเกินไปเพราะมีมากเกินไปก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นมีแต่จะเสียเงินเสียทองไปเปล่าประโยชน์เสียเวลาที่เราจะต้องเอาไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของเกินความจำเป็นนะเราต้องรู้ว่าเรามีพอประมาณหรื อ, อยังมีอาหารรับประทานพอไหม มียารักษาโรคไว้รักษาพอหรือยังมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่พอหรือยังมีที่อยู่อาศัยพอเพียงหรือยังถ้ามีแล้วเราก็ควรจะพอเพราะว่าความพอนี้จะทําให้เรามีความสุขกันทําให้เราอยู่เฉยๆได้ทําให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาข้าวหาของหาเงินหาทองต่างๆให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆ เพราะมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับจะทำให้เราทุบพุ่นวายขึ้นไปโดยเปล่าประโยชน์นี่คือการรู้จักประมาณให้เรารู้จักความพอดีแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสบายมีแต่ความสุขไม่ต้องดิ้นรนให้มากจนเกินไปทุกวันนี้เราขาดความพอดีกันเพราะเรามีความโลภความอยากกัน แล้วเราไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะมาสอนเราว่าการทำตามความโลภตามความอยากนี้มันไม่ได้นาไปสู่ความสุขมันนาไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความสุขนี่อยู่ที่ความพอเราจึงต้องมาหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากกันถ้าไม่เช่นนั้นต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ยังจะไม่มีความสุข เพราะความโลภความอยากนี้มันไม่หมดเวลาเราโลภเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วแทนที่มันจะหมดมันไม่หมดมันจะมีความโลภความอยากอันใหม่โผล่ขึ้นมาอีกได้อันนี้แล้วก็อยากจะได้อันนั้นได้ชุดนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ชุดนั้นได้อยากไปเรื่อยๆอยากไปจนวันตายแล้วพอตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ที่ใจมันก็จะเลยดึงให้ใจกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องทุกข์ใหม่เพราะร่างกายนี้นอกจากให้ความสุขแล้วยังให้ความทุกข์กับเราด้วยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกเวลามันแก่ทุกเวลามันเจ็บทุกเวลามันตาย ทุกเวลาที่ต้องพัดพากจากกันการมาเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำกันเพราะเป็นการมาหาความทุกข์กันแต่ถ้าไม่อยากจะมาเกิดเราก็ต้องหยุดความโลภหยุดความอยากกันถ้าเราต้องการอะไรก็ให้ใช้เหตุใช้ผลถ้าเราหามาด้วยเหตุด้วยผลนี้ไม่เป็นความโลภไม่เป็นความอยากจะไม่ทาให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้กันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์กันเราหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการไม่ทำตามความโลภไม่ทำตามความอยากเราจะทุกข์กันไปเรื่อยๆถ้าเราทำตามความโลภทำตามความอยากได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอก็ยังอยากอยู่นั่นถ้ายังมีความอยากอยู่ความพอก็ไม่มี เมื cool, happy, we need we need respect, ่อไม่มีความพอความสุขก็จะไม่มีถ้าเราต้องการความสุขเราต้องหาความพอให้เจอการจะได้ความพอเราก็ต้องหยุดความโลภหยุดความอยากกันวิธีจะหยุดความโลภหยุดความอยากเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆได้ เราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะหยุดเราจะดับความทุกข์ต่างๆที่พวกเรายัง ม, มีกันอยู่ในขณะนี้ให้หมดไปได้อย่างถาวร น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเรียนรู้ความรู้ที่เราควรจะรู้กันเจ็ดข้อด้วยกันคือหนึ่งรู้เหตุสองรู้ผล สามรู้ตนสี่รู้บุคคลห้ารู้สังคมหกู้กาลเทศะและเจ็ดรู้ประมาณถ้าเรารู้ความรู้ทั้งเจ็ดข้อนี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้นับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็คิดวา่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้